เจ้าประคุณสมเด็จก็ทรงเริ่มทําหน้าที่นี้มาตั้งแต่ทรงเป็นพระป ร, ะริยญคือเป็นครูสอนพระปริยัติธรรมทั้งแผนกนักธรรมแล ะ, ะแผนกบาลีเป็นผู้อำนวยการศึกษาสานักเรียนวัดบวรนิเวศวิหารดังกล่าวแล้วในตอนต้นเมื่อทรงดำรงตำแหน่งเจ้าอาวาสวัดบวรนิเวศวิหารนับแต่พุทธศักราช2504เป็นต้นมาก็ทรงมีภาระหน้าที่เพิ่มขึ้น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 ซึ่งเป็นวิชาบังคับสำหรับนิสิตชั้นปีที่สวัตถุประสงค์สำคัญของวิชานี้คือมุ่งให้นิสิตได้เรียนรู้พระพุทธศาสนาทั้งภาคปริยัตคือภาคทฤษฎีและภาคปฏิบัติโดยมุ่งเน้นให้นิสิตได้รับการฝึกปฏิบัติสมาธิอันจะเป็นผลดีต่อการปลูกฝังจริยธรรมคุณธรรมมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์จึงเป็นมหาวิทยาลัยแรกที่บรรจุวิชาสมาธิและวิปัสสนา ปัจจุบันเรียกว่าวิชาการฝึกสมาธิตามแนวพุทธศาสนาไว้ในหลักสูตรการศึกษารวมทั้งวิชาทางพระพุทธศาสนาอื่นๆอีกหลายร า, ายวิชาเจ้าพระคุณสมเด็จก็ทรงเป็นพระมหาเท ร, ระรูปแรกที่เป็นอาจารย์พิเศษสอนวิชาสมถะและวิปัสสนาในมหาวิทายาลัยเกษตรศาสตร์ซึ่งทรงสอนต่อเนื่องมาเป็นเวลาหลายปี จึงมีพระเทระรูปอื่นมาสอนแทน